หนึ่งจุหนึ่งสองพาพ่อแม่เรียนธรรมะเป็นการทดแทนคุณท่านวงเล็บเปิดยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้ารอยห้าสิบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสองวงเล็บปิดพาพ่อแม่เรียนธรรมะได้ดีที่สุดเลยเป็นการแทนคุณพ่อแม่เพราะเรียนธรรมะแล้วมีความสุขชีวิตมีความสงบสุขอยู่กับโลกก็อย่างนั้นแหละวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปเรื่อยๆยิ่งอายุเยอะนะวันหนึ่งสั้นนิดเดียวเพลอผับเดียวก็จะปีหนึ่งแล้ว ตอนนี้หมดไปหนึ่งไตรมาสแล้วแผลบเดียว